ท่านประโยคขาว่าจอดทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาประรกัเรื่องเจโตปริย า, ยานเจโตปริย า, ยานก็คือทิพย์ปร ย, ายานญาณซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าว่าใช้อารมณ์ที่เป็นทิพย์ไปพิจารณาอารมณ์ของจิตตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อน เป็นเรื่องจิตของท่านที่อยู่ในฌานโลกี <c oughs> แต่ขอได้โปรดทราบว่าการที่เราจะรู้จิตของ ค, คนใดอยู่ระดับไหนนั่นเราจะต้องรู้จิตของเราเองก่อนคือเราต้องขึ้นระดับนั้นเราจึงจะรู้ถ้าเรายังเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงปฐมฌาน เราก็จะไปรู้เรื่องราวของท่านที่เขาก็ถึงเข้าถึงว่าผมไม่ชาญไม่ได้หรือว่าเรายังไม่รู้ยังไม่ได้ชาญอันใดก็ตามเราไม่สามารถจะรู้เขาได้เราจะรู้ได้แต่เฉพาะเราเข้าถึงเท่านั้น <c oughs> ชันใดที่เราเข้าถึงแล้วชานนั้นเรารู้ถ้าเขาต่ํากว่าเราเรารู้ถ้าเขาสูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นกฎธรรมดา ในส่วนใหญ่เวลานี้คนที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังมีอุตสาห์ยั่งเข้ามารู้จิตความเป็นพระอริยเจ้าของพรท่านบางท่านมีหลายท่านในกันที่พยากรณ์จิตของท่านคนนั้นเทพยากรณ์จิตของท่านคนนี้ดีไม่ดีก็พยากรณอารมณ์จิตของพระพุทธเจ้า ว, ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ ยังบอกว่าจิต ข, ของพระพุทธเจ้ามีแปดสิบเปอร์เซ็นตบ้างจิตของพระปานมีแปดสิบเปอร์เซ็นตบ้างจิตของฤาษีเรียงดำมีเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นตบ้างความจริงจิตของฤาีเรียงดำนี่ไม่สำคัญจะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ไปเจ็ดิบ้าเปอร์เซ็นตแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนี่ไม่สำคัญ สำคันว่าท่านผู้นั้นรู้ได้อย่างไงว่าจิตของพระพุทธเจ้ามีแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นอาอะไรไปเพื่องวัดท่านผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรื อ, อยังนเวลานี้มีเยอะการพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรท่านผู้นี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเดากันมากเกินไปไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะรู้เราจะต้องเป็นพูดถึงก่อน ถ้าเรายังไม่ถึงเพียงใดเราก็ไม่สามารถจะทราบอารมณ์ของบุคคลอื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราทราบนั่นก็คือตัวปราทานมันกินใจของท่านเสร็จแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ดีไม่ดีมันจะพาท่านลงนรกไปนี่ตอนนี้ไปเราก็มาพูดกันยวกอารมณ์ใจของพระอริยเจ้า ถ้าเราฝึกเจตโตบริยายานก็ต้องฝึกดูจิตของเราเป็นสำคัญอย่าไปสนใจจิตของคนอื่นสำหรับจิตที่เข้าถึงระดับฌานสี่หรืออรูปฌานคนดีก็มีสภาพเป็นแก้วใสเหมือนกันเมื่อจิตของพระอริยเจ้าตามที่รับฟังมา แต่กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอารมณ์มิปัจนาญาณเข้าถึงจุดเริ่มจะเข้าถึงขีดเป็นพระเรียเจ้าคืออารมณ์มิปัจนาญาณเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสเป็นมิปัสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสนาจริงๆก็ได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงการยอมรับนับถือความไม่ดีของขันห้า แล้วความเป็นมาของโลกกธรรมดามันเป็นอย่างไรจิตใจเริ่มยอมรับนับถืออย่างนี้ที่ว่าเป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงวิปัสนาญาณสภาวะอย่างนั้นดวงจิตที่ใสเป็นแก้วสาหรับชาญสีหรือบางทีท่านผู้นั้นยังไม่ถึงชาญสีกระแสจิตที่มีความใสยอยู่บ้างตามสมควร แม้แต่เป็นเพื่อนผิวขอบขอบทั้งหมดะกลายเป็นปรกายพลึกแพร่พลาวเข้ามานระยะขอบถ้าอารมจิตของท่านบนนั้นเป็นประโภคดาบันความแพรวพาวจะปรากฏขึ้นประมาณหนึ่งในสี่ของระดาบของจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิทาคามีเข้าไปก็เท่ากัเข้าไปสองในสี่ ถ้าเป็นนาคามมีก็ก็ไปสามในสี่ถ้าเป็นพระหันก็เหมือนก็ดวงดาวระกลายฝึกทั้งดวงนี่สาหรับท่านที่ฝึกในสายนี้เฉพาะจุดแต่การฝึกนี้ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ดูเฉพาะจิตบางท่านก็ดูอาทิตสมานแกายเลยทีเดียว อาทิตสมาในกายก็คือรูปของจิตที่เป็นรูป ต, ตัวตนเป็นบุคคลอยู่ภายในที่เราเรียกกันว่ากายในกายในกายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรรมมาสสันดาตรย่อมมู่หมายเอาสองอย่างคนที่ยังไม่ได้เจโตบปริยายานก็ดูเฉพาะอาการกายที่เป็นอาการสามสิบสอง ท่านที่ได้เจตัวปริยายใก็ดูกายที่ที่เราเรียกว่าจิตมันเป็นอธิสมารากายคือเป็นตัวเป็นตนเห็นผ้าเมื่ อ, อไรรู้เห็นตัวนอกมาเมื่อไรเห็นตัวในเมื่อ น, นั้นเล <c oughs> ือดตาของท่านเป็นตาสองชั้นตาเมื่อดูดูกายนอกตาตาในดูกายใจ <c oughs> นบุคคลบุไดในขณนะนั้นจะมีกําลังใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัต ร, รีฉั น, น, เ, ป น, รรนเป็นมนุษย์เช่นเลวเป็นมนุษย์เช่นดีเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะผลจะปลายกฎมาตามกระแสของใจอาทิตสมาในกายจะบ่งชัดว่าท่านผู้ น, นี้เวถลาตายไปเวลานี้จะไปไหน <c oughs> และเวลานี้ระดับจิตของท่านเข้าสู่ความเป็นพระอริยะชั้นไหนตอนนี้บรรดาท่านผู้รับฟังจงจําไม่ได้ว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็รู้ความเป็นพระอริยเจ้าของท่านของท่านหลายเรานั้นไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราต้องเป็นพระอริยเจ้าด้วยความจริงการฝึกเจโตปริยญาณ น, นี้มีประโยชน์มาก สำหรับจะได้ไว้แก้ไขจิตของตัวเองไม่ใช่ฝึกไว่อวดชาวบ้านไม่ใช่ฝึกไว้ตรวจอารมณ์ของชาวบ้านถา้ามัวไปนั่งตรวจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราไม่ได้ตรวจก็สแสดงว่า <c oughs> เราช่วยกวาดบ้านให้ชาบ้านเขาเตียนไปแต่บ้านของเรามันรกจะเกิดประโยชน์อะไร การฝึกทิพยจุกุยานก็ดีจตู ป, ปปาทยานก็ดีเจโตุบริยาณก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเขาฝึกวิชมระจิตของตอนเองเท่านั้นที่มาว่ากันต่อไปอารมณ์จิตทิพยจุกุยานแล้วก็สามารถจะใช้ได้ต่อไปทั้งตีต่างสียานยานรู้เรื่องราวในอดีตรู้เรื่องราวในอดีตของบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุ รู้เรื่องราวในอนาคตของคนของสัตว์และวัตถุรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้เราจะต้องไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องเรียนเรียนจากทิพยคุยานนี้เองถ้าคร่องแล้วก็ใช้ได้หมดนอกจากนั้นก็รู้ได้ถึงยะถากรรมตายานรู้สภาวะของความสุขและความทุกข์ของคนและสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ในโลกอื่น ว่าท่า น, นหลายเหล่านั้นมีความสุขแรีความทุกข์กมาได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้จุดเองความสุขเรีความทุกข์ตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราเองยังมีความสุขดีไม่เท่าเขาญาณตัวนี้มีความสําคัญมากเราก็อยากจะสุขเท่าท่านพวกนั้นแล้วทํำยังไง เราก็ดูท่านผูกนั้นที่ท่านพว ก, กนั้นมีความสุขเพราะกรรมอะไรเป็นปันจจัยเขาทาแบบไหนที่มีความสุขอย่างนั้นเราก็ทําบ้างมันก็สุขไม่ใช่ไปแข่งดีกับท่านแต่ว่าทําตามท่านที่มีอารมณ์ใช้ที่เรียกกันว่ามุทุตาพรอยินดีกับบุคคลอื่นที่ได้ดีมารู้ว่าเขาดีแบบไหนเราก็ทําตามนั้นเราก็ดีตามเขา มีเป็นอนุวาตญานต่างๆคือจุตูปปาติยานรู้การเกิดและการดับของสัตว์ก็ดีเจโตบริยยานรู้ว่าระนำติดของบุคคลตนเองและบุคคลอื่นก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานรู้จักการรกชาติได้ก็ดีอติตังพยานรู้เรื่องราวในอดีตก <the IS> ็ดีอนาคตังพยานรู้เรื่องราวในนายเาก็ดี พอจุดปานองศยานรูปผลของกฎของกรรมก็ดีสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างทิพยคุยานได้อย่างเดียวมันก็ได้หมดถ้าได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราได้สองในวิชาสามเพราะในวิชาสามได้เขียนในบกคคบอกว่ามึงทิพยเปโตรคุยานสองปกเพนิวาสานุสติยานท่านเขียนไม่สอง แต่ที่เราใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แปดเครืองหนึ่งที่ปเป็นจุายาภาสองจุตูประปาธิญานสามเจตูปรยายาิยญาณสี่ปุเพนิวาสานุสติญาณห้าตีตังติญานหกอนาคตังติยานเจ็ดปัจจุปปนามติญานแปดยาทากรรมุตายาน ยานทั้งหมดนี้เราต้องสร้างให้ได้ในระยะที่เราอยู่ในชั้นโลกยียังไม่เข้าถึงพระโสดาบันเ <c oughs> มื่อได้ยานทั้งหมดนี้แล้วจะเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามยังไม่ได้คำว่าเตวิโช ว, วิชาสามต้องเพิ่มอาสวัคยาญาณมาอีกหนึ่งความจริงในตำรับเดิมเขาเรียกสองวิชาสองไม่ใช่วิชาสาม <c oughs> แต่สมเด็จพระมหาสมนเาจา้ากรมพยาวิเิียยานมรรดนี่ตามที่คนอื่นเขาเขียนไว้เกิดไปท่านท่านเขาบอกว่าท่านเติมมาอีกหนึ่งคืออาสวะขยายานการเติมเข้ามาแบบนี้ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนมันเป็นความดีที่ช่วยส่งเสริมให้เขาถึงนี่ถ้าเราฝึกได้แปดในวิชาเอาวิชาสามวิชาสามแต่ว่าเราได้แปดแล้วเนี่ย สองในวิชาสามก็ได้กแ็กแล้วกันทีวันหนึ่งได้คิดที่จกคุยานสองปุเพนิวาสานานสติญาเปิดความจริงเป็นแปดเมื่อได้ถ้งตอนนี้แล้วการใช้กำลังจิตจะต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลาถ้าจิตเข้าไปถึงฌานสี่ญาณทั้งหลายเหล่านี้จะใช้ได้ดีไม่ได้และก็จะได้ครบไม่ได้ เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วจะใช้ยานประเภทนี้ได้ดีก็ต้องฝึกตั้งเวลาในการทรงตัวของจิตมิเชีนนั้นเราจะรู้อะไรให้จริงจังนานเนิ่นา น, านละเอียดละ อ, อไม่ได้การทรงฌานเป็นของสำคัญการรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในฌานสี่เป็นความหนักสำหรับบคคลผู้ฝึกใหม่ แต่เราต้องทำให้จินจะเห็นว่าเป็นของสบายเป็นของง่ายจะใช้กำลังชานสี่อมลรยก็ชันได้ทันทีแล้วตั้งเวลากำหนดจิตไว้ว่าเวลานี้เราต้องการพูดกับผีพูดกับเทวดาพูดกับพรมนานเท่าไหรเราก็พูดได้ตามอธัธยาศัยนั่นเรียกว่ากำลังใจของเราทรงชานเป็นปกติมีอารมณ์เข้มแข็งพอเกินกว่าที่เราจะเป็นปโสดาบัน ความจริงการฝึกสองในวิชาสามนี้ใช้เวลามากกว่าการเป็นประโสดาบันการฝึกก็สู่ความเป็นพระอริยเจ้าขั้นประโสดาบันทําได้สบายกว่านี้มากแต่ในเมื่อเราใช้กําลังใจเข้มแข็งได้ขนาดนี้ถ้าเราจะทําตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ความจริงถ้าจิตแข็งอย่างนี้แล้วถ้าตต่เต้าเป็นปรรโซดาศิกธาค า, า, า, านาคารันตามลำดับก็รู้สึกว่าจะสวยเต็มทีท่านในปฏิบัติประเภทนี้แล้วโดยมากท่านจะตัดลักคิววิ่งตรงจุดอาณาตคลณแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะไปถูกกำแพงใหญ่ชนชนไม่แตกตีไม่พังด้วยก็นได้ เป็นอันว่าการรวบรวมกำลังใจเพื่อความเข้าถึงประโสดาบันจะ ย, ยากไหมเราเป็นผู้ทรงฌานสี่ถ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระนัตนาตรายัยเราก็เป็นผู้ทรงฌานสีไม่ได้ทรงวิชาแปดระการตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้ มีการที่จะส่งได้ก็เพราะอาศัยความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ในการดีสองถ้าศินห้าของเราไม่บริสุทธิ์ศิลบกพร่องศิลห้าก็ดีสินสิบก็ดีสินสองรอยี่สิบเจ็ดก็ดีในขณดใดสินที่ไม่บริสุทธิ์จิตถึงว่าจะโมหมองอุปาทานจะกิน อย่าใช้ยานนี่เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้มีท้าใช้ได้แต่ใช้ผิดผผิิพลาดเอาแน่นอนอะไรนักไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จะทรงยานทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นปกติก็ต้องทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาเมือ่อทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่มีเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีมันก็มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศล อารมณ์ที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วจิตมัจะละมันจะทำลายสินได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังทำลายสินอยู่ก็จงระวังอุปาทานแม้แต่ทิฏฐิคุ ย, ยานเบื้องต้นก็ใช้เอาดีอะไรนักไม่ได้ขณะใ ด, ดถ้าจิตคลาดจากสินขณะนั้นอารมณ์จิตก็หมองหมองความเศร้าหมองเกิดขึ้นอารมณ์ความแจ่มใสมันก็ไม่มี ในเมื่อแจ่มใสไม่มีเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่ใสมองอะไรมันก็ไม่ถนัดนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษาอารมณ์จิตได้อย่างนี้ถ้าต้องการความเป็นพระเรียเจ้าก็เป็นของไม่ยากเพราะจิตเราชนะนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วถ้าจิตไม่ชนะนิวรณ์ผู้ยานต่างๆมันมีไม่ได้ถ้าจิตชนะนิวรณ์หมดเราต้องการอะไร เรายังขาดอะไรอยู่อีกหนึ่งมรณาโนสติกรรมฐานหรือว่าการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรายังไม่ได้ใช้ถ้ากําลังใจของเราเข้มแข็งแบบนี้เราก็ใช้ไม่อยากถ้าหากว่าเราสงสัยว่าไอ้ ก, การเกิดแก่เจ็บตายนี่มนันจริงหรือไม่จริงคนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ชาติจริงหรือไม่จริง เราก็ใช้อติตังติยานถอยหลังเข้าไปหรใช้ปุเพนิวาสานสุสติยานถอยหลังเข้าไปมันก็จะไปพบความจริงนี่เรื่องสงสัยมันก็ไม่มีคนทําความชั่วตกนรกความทำความดีไปสวรรค์น่พรมเป็นความจริงไหมเราก็ถอยหลังตัวเองเราลงไปว่ามันเคยตกนร ก, นรกมาแล้วกี่ชาติ เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหมมาแลากี่ชาติเคยเป็นคนชั้นดีกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นเลวกี่ชาติเคยเป็นสัตว์ใดฉานกี่ชาติแต่รายชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยมันก็เป็นของไม่ยากในคลัมต่อไปจะคลัมทําไมขั้นเบสโสดาบันหรือขั้นสกิทาคามีขั้นนาคามีคลัมยันไปถึงอาหารหันเลย เพราะถ้ากำลังทรงได้แบบนี้พอแล้วพอตรงไหนล่ะพระพุทธเจา้าท่านบอกแล้วว่าคนที่ทรงอารมณ์ได้ถึงขนาดนี้ถ้ามีกําลังจิตแก่กล้าก็เป็นอรหันต์ได้ภายในจิตวันถ้ามีกําลังจิตอย่างกลางก็เป็นอรหันต์ได้ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีกําลังอ่อนที่สุดก็มีเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีไม่ใช่ครบ เราก็จะไปนั่งรอเจ็ดปีทำไมอย่างเร็วที่สุดถ้ามันอยู่ภายในขอบเขตของเจ็ดเดนมันก็หมดเช่นกันเพราะเรามีจุดพิสูจน์ได้ทุกอย่างว่าเพื่อที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นประโสดาบันได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีศีลบริสุทธนะิ์เนี่ยเขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูในเทวดา คนที่มีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์เขมีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูได้บนสวรรค์ไปถามเทวดาแต่และท่านไปไล่เบีย้ยแจท่านว่าท่านมีความสุขขนาดไหนถ้ามีอะไรเป็นปจัจจัยที่ราชาเทวทิดาถวายเข้าต่อแก่พระบาเจกพระไตรเจา้าเพียงขันเดียวก็เป็นเทวดานี่เคารพในประสงค์ให้ท่าน ท่านมาัตเตยุคนลีเทพบุตรนึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้ทานในสติกำลังฐานพอใจในในพอใจในพระพุทธเจ้าอย่างท่านทำมีเกล้าอมบาสกมีความพอใจในธรรมอยากฟังอยากสดมนอยู่เส ม, มอนี่เป็นธรรมนี่เป็นการเคารพในประธรรมท่างก็เป็นเทวดาตัวอย่างเห็นชัดในคนที่ปราไม่พระรัตนาตรัยตัวตัวอย่างเทพเทวทัตและพระโกากาลิกะ บวชได้ฌานสมาบัติได้ปัญญาถือตนว่าเป็นคนดีอวดดีแข็งดีกว่าพระพุทธเททจ้าเจะข้าบวชคิคตจะยึดอํานาจปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าในที่สุดเขาวพวกนั้นไปไหนเขาวพวกนั้นก็ไปอาวจีมหามรกตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วดังนั้นการทรงสินเป็นของดีเป็นเทวดาได้เราก็กลับมาตั้งใจทรงศสินแค่กําลังใจมันก็มี เราการเคารพพระพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นของดีไปสวรรค์ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราก็มาตั้งใจเคารพพระพุทธระธรรมประสงค์ไม่ต้องใช้แต่ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวไปดูเองด้วยตัวนี้ก็มาดูท่านที่เป็นพระอนาคามีท่านตัดกรรมลาคัทิ้งไปท่านตัดปฏิฆาทิ้งไปด้วยกําลังใจแบบไหนเราก็ไปถามท่าน ถามท่านดูว่าท่านทําแบบไหนท่านบอกชัดๆร่างกายมันสกรปรกนะเธอนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายที่พอใจก็ว่าสวยสดสวยงามมันไม่มีอะไรมันมีแต่กลิ่นเห ม, ม็นมันมีแต่ของโสโครกน่าสียดสียนเราได้ทิพยคุยานมองลงไปได้ยาน ว่าสภาวะร่างกายของคนเราที่ต้องการมีความรักกันมันดีแล้วมันชั่วมันเห็นชัดเห็นชัดเห็นถนักเห็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเห็นเป็นปกติเห็นจนถ้งอยากใจเปียนแล้วมันจะไปรักกันตรงไห น, นก็ตัดได้ทันทีไอ้ความโกรธความชั่บาดี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่การใด คนมักโกรธตายไปแล้วไปโรงนรกมีด้วยความเล่าร้อนใจจัดการตัดความโกรธเส้นได้เป็นข้าศึกิทาขามีอารมณ์นี้ไม่ใช่ของยากมันจะมาแบบไหนก็ใช่ว่าจะว่าช่งมันช่างมันช่างมันมันดาก็ช่งมันมันชงก็ช่งมันจะรวยก็ช่งมันจะจนก็ช่างมันมีมากก็ช่งมันมีน้อยก็ช่งมันหากินต่างกําลังความสามารถโดยสัมมาชีวะ อย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็ไม่ได้เปลี่ยเวลาไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะดุดและก็ในการต่อไปถ้าเราจะเป็นพระอราหันต์ก็ถามพระอราหันต์ท่านดูก็จริงไม่ต้องถามก็ได้มีทิพย์อยู่ขุยานแล้วเป็นเรื่องเล็กๆเล็ ก, ลกตรงไหนแค่รูปใบชานะรูปใบชาดูท่านพระ เทวทัตกระแตงโกการิกะท่านมีรูปฌาน ไ, ได้ได้อัญญาสมาบัติก็สเสด็จลงไปไว้อเวจีมหานรกไปนั่งหลงไหลไปผันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะมานั่งถือตัวถือ ต, อตอนได้มาณทิฏฐิแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวไอ้ตนนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเท่าไรลงนรกมากเท่านั้น คนและสัตว์มีสภาวะเสมอกันเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต่างคนต่างก็เคยรวยต่างคนต่างก็เคยจนต่างคนต่างก็เคยสวยต่างคนต่างก็เคยมีอำนาจวาสนาต่างคนต่างก็เคยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ที่เลี้ยฉันมาแล้วต่างคนต่างก็เคยเป็นเทวดาเทพมมาแล้วไอ้ที่ต้องมาเป็นคนนี้ก็มาตามผลของกรรมน่าจะไปนั่งถือตัวถือตนเพื่อประโยชน์อะไร แล้วก็วางทึานได้แบบสบายอุดทัชจะอารมณ์ใจดีคิดว่าแค่นาคามีดีมันก็ไม่ดีนักเพราะมันยังต้องมีกิตใช้ทิฏฐิจุกยานพิจารณาสักนิ้ก็จะเห็นผลว่าไหนไหนเราก็เกิดมาเป็นคนพรพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปนิพพานมันเลยหมดเรื่องหมดราวอาจิตจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อ๋ออย่าลืมไปนะ ลืมบอกไปว่าคนที่ฝึกทิพย์ยุคยานแล้วเริ่มตั้งแต่เข้าถึงโคตรภูญานทิพย์ยุคยานเริ่มมีลมแจ่มใสตอนนี้เห็นพระนิพพานในชัดเจนแจ่มใสแจมใสเห็นยังไงเห็นว่านิพพานศูญย์ยังไงเลยศูนย์หรือไม่ศูนย์ทำให้มันถึงเองเมื่อได้ทิพย์ยุคยานแล้วทําจิตให้เข้าถึงโคตรภูญาน โคตรภูญานเข้าถึงได้ไหม่มันเดียวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเดียวถึงโคตรภูญาณแป๊บเดียวก็ถึงพระโสดาบันตอนนี้แหละสภาวะของพิจุภูญาณจะบอกชัดเรื่องสภาวะนิพันธ์ว่านิพันธ์มีสภาพศูนย์หรือไม่ศูนหรือว่าถ้าไม่ศูนอยู่ตรงไหนมีสภาวะเป็นยังไงนี่าตามที่บอกกับบรรดาท่านทั้งหลายไปแล้วว่าถ้าเราจะคุยกันเรื่องพระนิพันธ์แล้วก็ ถ้าจิตใจของท่านยังไม่เข้าถึงประโสดาบันอย่าพิ่งคุยกันเลยเรื่องนิพานและขอได้โปรดญาณเดาเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการธรมรมารมณ์เข้าถึงสองในวิชาสามที่เรียกว่าทิพยคุยานและปุเพนิวาสานสุสติยานและจะกล่าวกันโดยในใช้กำลังใจได้โดยละเอียดก็คือญาณทั้งแปดประการตามที่เราจะพึงใช้ได้ อารมณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้วไซก็สามารถทําจิตใจของเราให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเทตระหารได้เพราะว่าเราสามารถจะชําระกําลังจิตใจของเราเองให้เข้าถึงจุดเพราะเราจะคอยดูใจของเรายได้ทุกวันว่าวันไหนใจมีสีอะไรถ้าสีเลวก็ตําหนิสีดีก็ไม่ควรยับยัง้งทําให้จิตใจของเรานี้นั่นมีอารมณ์ผ่องใสมีมีความแจ่มใสแม่งแก้วเป็นประกายพุชตอดเวลา ยียงจะเชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดโดยทนหนาที่ปฏิบัติมาแล้วในด้านนี้เป็นผู้ทรงวิชาสามหมายความว่ามีอารมณ์เป็นทิพย์สามารถะระลึกชาติได้โดยย่อตามที่กล่าวมาแล้วก็มีอาสวะขย า, ยานอรบรรดาพยาวโยคาวจรทุกท่านการเวลาที่จะพูดกันก็หมดแล้ววันนี้เขาข อ, อยุติวัตเบียงตรงนี้ ขอความสุขสวัสดี์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ภุนผลจงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี